ا ل ل ه ل رحمنا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين و ل ع و ا ن ا إلا ع للظالمين ى ا و ص ل ي وأسلم على شرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته س ه ل ا وأنت تجعل الحزن إذا شئت س ه ل ا اللهم سهل لنا الأمور دبر لنا ف إ ن ا ل ن ح س ن ا ل ت د ب ي ر ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ع ن ِ ي ك ي َ ا ب ا ع ِ ي ا ت ي ن ت َ ي ا ت ي ْ ن ِ ت ر و ن ا ل ب ق ن ِ ي ا ل ْ ة و َ أ َ ل ق ي ْ ن ِ ن ا ل َ ت ق د ي ن َ و ل ت ق د ا ل ن ا ل การพยายามของผู้ปฏิสัตธาในการบิดเบือนและเบียงเบนการเรียกร้องและเชิญชวนของอัลกุรอ่านให้มนุษย์ทุกคนอย่าได้พินิจพิจารณาไม่ใช่พินิจพิจารณาในตัวกุรอาน เพรตัวคุรานก็ยังเป็นคำภีร์หรือเป็นเป็นตัวบทที่ไม่ได้ถูกยอมรับจึงไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกยอมรับมาเป็นข้ออ้างให้ยอมรับฉะนั้นในกุรานจะต้องมีกะกะและกละวิธี ที่มนุษย์ทุกคนต้องยอมรับและสิ่งที่มนุษย์ยอมรับและไม่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธก็คือสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งที่สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่รู้สึกสิ่งที่สิ่งที่มนุษย์ในสังคมมนุษย์ยอมรับไม่ไม่ปฏิเสธให้เป็นจุดเริ่มต้น จุดเริม่มต้นในการเชิญชวนให้พินิจพิจรนนารณาเพราะหลังจากที่อัลกุรอานในสุรษยูนสเนี่ยได้ได้พูดถึงจุดยืนของผูบ้บริสถทธานี่ไมีกุรอานไม่เอา้อาะอะไรที่มุฮัมมัดเอามานี่เราไม่เราไม่เชื่อถัดมาเลยไม่ได้ตอบโต้ ทำไมไม่เอากุอตาทำไมไม่เชื่อในพระดำรัสของ a ถัดมาเลยก็คือพูดถึงเรื่องโลกจักรวาลสิ่งที่ Allah สุานวตาลสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกสำหรับชาวมักกะเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วคือเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเราเป็นผู้สร้างซึ่ง เรื่องนี้สําหรับอหรับที่ได้สืบทอดศาสนาของท่านนบีบรหีม ม, มีอยู่แล้วและตัวศาสนาท่านนบีบรหิมเนี่ยจะมีอิบะดาในศาสนาท่านนบีบรหิมเนี่ยคืออิบะดาแห่งการใคร่ครวญและพินิจพิจารณาในสิ่งแวดล้อม ซึ่งไอาบาดานี้ถูกถ่ายทอดมาโดยตลอดแต่ชาวอาหรับเนี้ยได้ทิ้งซึ่งในคุอ่านนี้ได้พูดถึงเรื่องนี้พูดถึงการใครครัวของท่านนาบีบรหีมในสิ่งที่อ AH ัลลอฮ์สุฮาะ์นวดาละทรงสร้างถูกถ่ายทอดมาจนถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลออละัลลัมก่อนที่ท่าน จะได้รับกุษอ่านจากอัลลอฮ์เนี่ยท่านจะทาไมบาดาเนี้ทุกระยะสักพักหนึ่งทุกสองสมเดือนทุกครึ่งปีเนี่ยท่านก็จะไปทำให้รอในบันทึกของบุคารีเนี่ยนี่หมายชาดิเรนงานบอกยจะพ้นทุกีเหรัลลัยลียะวัติลัตเตนคือจะอยู่ในถ้ำพายรอเนี่ย แต่ฮนุษนี่แต่ฮนุษย์ก็หมายถึงว่านึกถึงพระเจ้าซึ่งถ้าใครที่เคยขึ้นถ้ำพระรอเนี่ยจะเห็นว่าวิสัยของปากถ้ำเนี่ยใครที่นั่งอยู่ปากถ้ำเนี่ยเห็นหมดเลยอะไรนะที่บ้านเราก็เรียกอะไรอะอะไรของโดมอะไรนะที่เขาไปเที่ยวกันนที่เด็กผู้บดเด็กไปเที่ยวกันแล้วก็ดูเอ้าฟาจำลอง พระจำลองใครที่ไปไปนั่งที่ปากถ้าไหโรนโอเขียนหมดเลยอะ่ะเห็นผืนแผ่นดินสุดสายตาแล้วก็ฟากฟ้ารวมถึงดวงดาวที่อยู่ในฟากเหงดเดียงชัดเจ้วเลยตอนนู้นะเดี๋ยวนี้มันทาวเวอร์ของมักกาดินกว่า แสงสว่างเดี๋ยวนี้มันมันปิดบังแสงทางธรรมชาติไม่มีอะไรบาดอ่ะที่ท่านเดบีจะทำไปดีกว่าการดีมองมองชั้นฟ้ามองในฟากฟ้ามองสุดสายตาถ้าถ้าเรามานั่งคิดกันดีๆนะ ว่าสิ่งที่ท่านแมบีทำเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่มนุษย์ทุกคนทำได้ไ ม, ไม่ไม่ต้องมีาศาสตร์ไม่ต้องมีวิชาอะไรเฉพาะฉะนั้นอายาที่สามนี่ถัดมานี่เอาเรื่องเอาเรื่องที่พวกคุณเนี่ยยอมรับการที่พระเจ้าสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วพูดถึงการที่พวกเขาจะต้องกลับ ไปยังพระผู้เป็นเจ้าซึ่งนี่เป็นผลที่จะต้องตามมาหลังจากที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยก็ต้องเชื่อในประร ก, กอปอสงระเดนนี้เนี่ยอุลมาได้บอกว่าเป็นสองคดีสำคัญที่กุรอ่านในยุคมักกะยุคที่ถูกประทานในมักกะเนี่ยจะพูดถึงพูดถึงศรัทธาในพระเจ้าและวันประรูปและเป็นสองคดีที่ท่านนมิโซลลล์ซ ล, ล, ลมถือว่าเป็นเรื่องหลักของ ร l l acht, àn, song thi song ุก ok ุอิหมานหลักอิมานหลักศรัทธานี่หกประการใช่ไหมแต่สองหลักเนียก็คือสองหลักที่สำคัญที่สุดในหกประการศรัทธาในพระเจ้าละวันปรลกถึงขนาดที่หลักปฏิบัติต่างๆในอิสลามนี่มักจะถูกมัดกับสองเรื่องนี้มันกา่ในยุมินุบิลลาหวลยอมอลอาครีฟะลิอุคริมไดฟะูดตีศรัทธาในอัลลอฮ์ละวันปรลบนี้ง ดูแลให้เกียรติแขกที่เข้าบ้านมันเกินอายุมินุบิลล่าหยู่แล้วมิลลอาคิรีฟัลียาคุล خ ยรอาวลิอัสมุตฟูดะดิสตัานอัลลอฮฺละเปรอโลกให้พูดดีมิฉะนั้นให้เงียบเสียทำไมเรื่องศรัทธานี่มันจะกำชับกำชับเรื่องปฏิบัติแขกเข้าบ้านนี่การที่จะเลี้ยงแขกเทคแขกเขาเนี่ย สืบเนื่องจากศรัทธาในอัลลอฮฺประโรโลกต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีนะเพราะมันจะเป็นสมการสําหรับทุกการปฏิบัติผู้ใดศรัทธาในอัลลอฮฺประโลโลกต้องไม่กินเหล้าผู้ใดศรัทธาในอัลลอฮฺประโลโลกต้องกระดอนยืดต่อพอแม่ผู้ใดศรัทธาในอัลลอฮฺประโรโลกจะต้องไม่ยุ่งกับสิ่งอบายมุกผู้ใดศรัทธาในอัลลอฮฺประโลโลกจะต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ ผู้ใดศรทธาในอลอตสมาการนี้มันก็ต้องพอพอะไพ่อแม่ก็ต้องเรื่องเล็กๆและเรื่องใหญ่ๆที่ท่านนาวีได้ยกตัวอย่างอ่ะนะัก็ถูกมัดไว้กับสองอย่างนี้ศรัทธาในอัลลอฮ์ผู้มีอำนาจในการตอบแทนฉะนั้นเราทําะทำอะไรเนี่ยเรารู้ว่าพระเจ้านี่จะตอบแทนเราเราไม่ได้กลัวกฎหมายเราไม่ได้กลัวข้อบทลงโทษของกฎหมายแต่เรากลัวพระเจ้า เราต้องการพระเจ้าเมตตาเราถ้าเราได้ทำความดีหรือหรือเว้นความชั่วปารโลกนั่นคือที่กลับของเราทุกคนทุกคนเชื่อก็จะทําสิ่งเหล่านี้แมว้ว่าจะมีการตอบแทนมีรางวัลหรือไม่มีเขาทำเพราะเขาไม่ได้หวังในรางวัลของโลกนี้หวังในการตอบแทนของโลกหน้าอิเลหิมารจองคุมจะมีการกลับของพวกท่านทั้งหลาย และอายะที่ห้าก็ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่อยู่ในสายตาของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะอาหรับซึ่งตอนนั้นอรารยธรรมของอาหรับเนี่ยมันเป็นอรารยธรรมของคนพื้นบ้านพื้นเมืองไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีความรู้วิชาการที่ ซับซ้อนลึกซึ้งไม่เหมือนพวกโรมันที่เขามีวิชาการชำนาญการเรื่องเรื่องการแพทย์ท่านนบีอิสซาที่ได้เกิดในสังคมโรมันแล้วก็กรีกพวกเนี้จะต้องมีอภินิหารที่มันสู้กับความสามารถ ของศาสตร์ที่โดดเด่นในยุคนั้นศาสตร์ที่โดดเด่นนีพ่พวกพวกพปรมจารย์ที่เขามีปัญญาความรู้ในการบำบัด ร, รักษาแต่นี้ท่านนบีอิสาห์นี่ฟื้นคืนชีพได้คนตาบอดนี่หายได้ศาสตร์เคมีวิศวะกรรมและศยศาสตร์ของชาวอีบโบราณ มันคือสุดยอดแล้วในยุคนั้นก็จะต้องมีอภินิหารที่หักล้างพวกนี้ทั้งหมดหักล้างความสามารถในด้านวิชาการของยุคนั้นก็คืออภินิหารที่ท่านนาบีมูซาได้นำมาันวิทยาศาสตร์สมัยอีบเนี่ก็ถือว่าสุดยอดทุกวันนี้นะก็ยังทึ่งกันนะ ยหมดทั้งหมดนี้ก็ยอมรับในพินิหารของท่านแต่ท่านนับมุลเบห์มสัลลัลละซ์เกิดขึ้นในสังคมอาหรับที่ค่อนข้างชนะบทไม่มีไม่มีศาสตร์อะไรที่แต่มีความสามารถในด้านวาทะสินในด้านคำพูดที่จะเชิญชวนให้คนได้ใช้สมองซึ่งในกุตรานี่มีเยอะมาก เครื่องมา้าเครื่องมือเครื่องไม้ของกุในการที่จะเชิญชวนนี่ก็คือสำนวนที่จะให้อารับเนี่ยยอมรับในตักกะง่ายๆในกุานจึงมีเยอะมากนะครับหลายอายะหลาย่อนหลายสุรที่จะเชิญชวนให้มนุษย์เนี่ยได้พิจารณาในสิ่งแวดลอม ส่วนหนึ่งคงสิ่งวัของสิ่งวัตล้อมนี่ก็คือก็คือการโคจรของดวงดาวที่อยู่รอบชีวิตของมนุษย์และดวงดาวที่เด่นที่สุดและมีผลต่ อ, ตอวิถีชีวิตของมนุษย์นี่ก็คือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ชัดที่สุดถามชาวบ้านทุกคนเนี่ยรู้จักไหมดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์รู้จักดาวอังคารรู้จักไหมก็ได้ยินน่ะนะดาวอังคารอยู่ไหนอ่ะ <c> ไ <oughs> ม่มีมในคุณอา่านไม่ได้พูดถึงดวงดาวอะไรที่มีอยู่ในฟากฟ้านี่มันเยอะนะแต่ไม่ได้พูดถึงทําไมอเพราะต้นตุลของแต่ละคนน่ยจะได้รู้ข้อมูลเรื่องนี้มันไม่เหมือนกันนะแต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะโอรู้กันหมดเลใครๆก็เห็นใครๆก็รู้ใครๆก็ติดตามจึงมาเป็นประดิน กัวพระองค์ท่านเนี่ยที่ที่เริ่มต้นเชิญชวนให้คนที่ไม่ยอมรับในกุรานนี้ยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างนี่ใช่ไหมเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทำอะไรอีกอะอย่างที่บอกว่าอายะที่เท่าไหร่นะที่สามถึงห้ที่หเนี่ยหลักฐานความยิ่งใหญ่ขององค์ลออันนี้ความเมียขององค์ลอในสิ่งที่เขายอมรับในความยิ่งใหญ่ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โอ้โหชีวิตของอารับนี่นะเห็นชัดเลยนะครับถ้าใครที่ศึกษาวรรณคดีนิทานนิยายกิยมของอาหรับเนี่ยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นี่มันมันเป็นสิ่งที่ถึงขนาที่บางกลุ่มเนี่ยถึงขั้นที่จะบูชาเนี่ยแต่ความสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่นั้นอยู่ที่การที่เขา เห็นความเด่นชัดของของสองสิ่งเหล่านี้อารับนี่เขาจะเขาจะมีสุภาษิตมีกรอนต่างๆที่เอาดวงจันทร์และกดัดวงอาทิตย์เนี่ยมาเปรียบเทียบเช่นความจริงความถูกต้องโ อ, โอ้นี่มันชัดกว่าดวงอาทิตย์ทำไมเพราะดวงอาทิตย์นี่มันมันกระจ่างชัดเอามาเป็น อุท่าหอนเปรียบเทียบแสดงว่ามันมันอยู่ในในความสำนึกของเขาแต่แต่เขาจะรู้เนี่ว่าผู้สร้างดวงอาทิตย์และกระดวงจันทร์ที่เขาเอามาเปรียบเทียบเนี่ยมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จึงต้องยอมรับในความสามารถของพระเจ้าท่านนี้มากกว่าที่พวกเขานี่ยอมรับในความสุดยอดของดวงจันทร์แล ะ, ะดวงอาทิตย์ในสุรษะอัลฮจ์น เราได้ําหนีคนรีีบูชาสักการะดวงอาทิตย์และกรดวงจันทร์อัลลอฮฺบอกว่าลาตสุจูลิชัมซีวลาลิลควมรจงยักราบสุจูดให้ดวงอาทิตย์และกรดวงจันทร์วสจูดุลิละดีขัลละกุนนะลาจงกราบวายสุจูดให้พระผู้สร้างมันทั้งสองสมควรสมควรแก่ แ่มนุษย์ที่มีสมองมันสมองอนนเรื่องอะไรไปกับไว้วดูสิผู้ที่ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นี่มันโคโจรและเป็นที่ประทับใจสำหรับมนุษย์เนี่ยก็สมควรแก่การที่จะเคารพสักการะมากกว่าแต่ในอายะที่ห้าของสุรัตยูนุสนี่เป็นอีกมิติหนึ่ง ที่ทำให้คนที่อ่านและพิจารณากุตตานี่จะได้ข้อคิดสำคัญอายานี้เนี่ยถูกบรรจุในบรรดาอายะที่เป็นมัจดิษัทหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าท้าทายโลกทั้งปวงมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัยด้วยศาสตร์ต่างๆในกุรตานที่แฝงอยู่ในแต่ละองค์การ لناي برشم سأمن وعدوي رين الاعجاز العلمي في القرآن، كذا أفينihan، دان و ش ا ك ا ن دان ساد ت ن تان في ق ر آ ن ب ر و كأو أيانة ما ن م เสนอแงคิดของ م ن ที่ถูกพิสูตรด้วยวิทยาศาสตร์รุล ในคุรานได้เอ uh, ah ่ยถึงมันบางส่วนผู้ที์ทรงทําให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าแสงจ้าแสดงว่าแสงนี้มันมาจากดวงอาทิตย์วันพระมรนุราและดวงจัน์มีแสงนวลและในภาษาอรับนี่นะครับ เบียอันหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสว่างถึงจะเรียกว่าเยอเ น, นี่ยเยอั น, นซึ่งเป็นความหมายในด้านภาษาอังกฤษที่อาจจะถ่ายทอดเป็นภาษาอื่นเนี่ยก็ต้องอธิบายหน่อยจะไม่เรียกว่าอะไรที่มันเป็นแสงสะท้อนนะ่ะแสงสะท้อนมาจากที่อื่นเนี่ยจะเรียกว่าเบี้ยไม่ได้ถ้าเบยอันแสดงว่าตัวมันเนี่ยมันมีแสงในตัวมัน แต่นูร์นูร์นร น, นูรน์ใช้กับทุกสิ่งที่มีแสงแต่อาจจะไม่ได้เป็นแสงที่มาจากตัวมันก็เรียกว่านูรได้รัศมีเราบอกว่าโอคนนี้ใบหน้าเขามีนูรอ่าได้นูร์หมายถึงมีไฟออกมาจากหน้าเราใช่ไหมนูรนี่มีคือมันตีความได้ไง่ะตรียาตรียามันต้องมีมันต้องมีแสงออกจากตัวและนี่แหละที่เขา ที่เขาบอกว่าพันสี่ร้อยกว่าปีเนี่ยยุคนั้น น, น, นะครับมนุษย์เนี่ยเขาเข้าใจว่าดวงอาทิตย์มันมีแสงในตัวมันดวงจันทร์ก็มีแสงในตัวมันแล้วก็แสงของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจ้ามันแรงกว่าและมันเป็นแสงสีเหลืองหน่อยเหมือนเราซื้อ ซื้อไฟนี่นี่อันนี้เหลืองหน่อยแล้วก็ไฟนีออนนี่ก็ขาวหน่อาเข้าใจว่าดวงจันทร์นี่ก็มันมันเป็นอะไรนะนูรันหมายถึงว่า ม, มีแสงนวลแสงสีขาวเนี่ยแนันั้นคือแสงของดวงจันทร์เข้าใจว่าตัวดวงจันทร์เนี่ยมันมีแสงออกจากตัวมันเขาเข้าใจกันอย่างนั้นมาตลอดแต่ในคุราน แล้วก็ในสุนหน้าของท่านนาบีก็มีหลายบทนาะที่จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าตั้งแต่พันสี่รอปีนี่นะพระดำรัของระสุภณะวดาล่ะชี้นำให้มนุษย์ใดพิจารณาว่าไม่ใช่แสงของดวงอาทิตย์นี่มันเป็นแสงแท้ออกจากดวงอาทิตย์ออกจากตะวันส่วนดวงจันทร์นี่มันไม่ใช่เป็นแสงสะท้อน ว่ากรดระหูมานาซิละซึ่งในสิ่งที่ทุกคนยอมรับนี่ว่าดวงอาทิตย์นี่มีแสงดวงจันทร์ก็มีแสงและการโคโจรของมันทั้งสองการโคโจรของมันทั้งสองเป็นจุดสังเกตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรดแต่อเราได้บอกว่าที่พวกเจ้านี่สังเกตการโคโจรของมันนี่นะ นั่นเป็นกำหนดการของอัลลอฮฺ س ว ح ا ن ه และกัดารหูมานาซิละเพราะองค์เนี่ยทรงกำหนดให้มันมีทางโคจรซึ่งทางโคจร น, นี่มันละเอียดถึงขนาดสามารถคำนวณเวลาด้วยการโคจรของมันเพราะปกติแล้วนี่เราจะคำนวณอะไรนี้ก็จะยึดสิ่งที่มันมีค่าที่แน่นอนเป็นที่ตั้งสมการจะได้มัน ใช้ได้จะได้ทำได้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าตัวหนึ่งที่มันค่าที่มันมีแน่นอนอะไรที่มันแน่นอนน่ะในสายตาของของมนุษย์เราตัวเราเนี่ไม่แน่นอนเราเดินไปไหนแต่ไหนนี่จะเอามนุษย์นี่มามาเป็นค่าที่แน่นอนได้ไงแต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยที่มันโคจรเป็นพันปีเนี่ยก็เหมือนเดิมซึ่งเป็นจุดสังเกตของมนุษย์ทุกคนในโลกไปอัลลจึงเอาจุดสังเกตเนี่ย ให้พิจารณาอย่างลึกซึ้งดิว่าที่มันโคจรเนี่ยใครเล่าเป็นผู้กำหนดขั้นตอนของและเวลาของการโคจรของมันและพระองค์ได้บอกว่าบุญคุณของลระสุภานวดาและที่ให้การโคจรของดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์เนี่ยมีความละเอียดถึงขนาดที่พวกท่านสามารถยึด เป็นค่าที่แน่นอนจะได้คำนวณวันเวลาของพวกเจ้าลิตาละมูเพื่อพวกท่านจะได้รู้จำนวนปีอจดัช น, นีจำนวนปีวัลพิซาบและการคำนวณกัดดะระืูมนาซิละอัลลอฮได้กำหนดให้มันมีทางโคจรกำหนดให้มันคืออะไรดวง กัตเอหุอัลลอฮ์บอกว่ากำหนดให้มันมีตัวเดียวไม่ใช่ให้มันทั้งสองถ้าทั้งสองอะนะให้มันทั้งสองแน่นอนทั้งสองนี่มีโคโจรแต่ที่อัลลอฮ์อยากจะให้เราชี้ดูแล้วก็เป็นการคํานวณที่ค่อนข้างง่ายสําหรับที่บอกว่าเป็นต้นทุนสําหรับคนทุกคนอะนะคือการคํานวณเดือนและปีเนี่ยที่ทุกคนสามารถทําได้นะ ไม่ต้องเรียนวิชาดาราศาสตร์นะไม่ต้องเรียนวิชาคำนวณหรือคณิตศาสตร์ก็คือการโครจรของดวงจันทร์เท่านั้นแต่การโครจรของดวงอาทิตย์เนี่ยต้องคำนวณละเอียดต้องมีต้นทุนที่เป็นวิชาดาราศาสตร์ที่สะสมพอสมควรไม่อยู่ทุกคนสแสดงว่ามนุษย์เนี่ยสามารถคำนวณวันด้วยด้วยอะไร เราคำนวณวันด้วยอะไรดวงจันทร์บ้ดวงจันทร์บ้วันนะวันนะเรามีธรรมเนียมไม่เรียกพระอาทิตย์นะและไม่เรียกพระจันทร์พระพระมังก์พระพระบา ร, บ ร, บ ร, ร, ราบราพระภาษาบาลีแปลว่ายิ่งใหญ่และมักจะประกอบกับคำที่ถูก บูชาสักการะซึ่งมันมีที่ไปที่มาการบูชาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์และก็ดวงดาวและบรรดาบรรดาดวงดาวทั้งหลายที่มีอิทธิพลในชีวิตของมนุษย์พวกที่เชื่อในโหราศาสตร์รเนี่ยเขาจะเชื่อในอิทธิพลของดวงดาวในชีวิตของพวกเราทุกคน จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนเราเนี่ยแล้วก็มันขวัวไม้มันมันมันมีที่พ้นแสดงว่าจะเรียกจะเรียกมันเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเรียกด้วยความยิ่งใหญ่พระจันทร์พระอาทิตย์ต้องมีพระเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงเพราะมุสลิมเนี่ย จะต้องจำแนกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสักการะออกจากชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้การเคารพสักการะเนี่ยเป็นของพระเจ้าอย่างเดียวอะไรที่มันจะมันมันมินเมที่จะทำให้เราดูเหมือนไปเชื่อเหมือนเขาหรือเปล่าเข้าใจเหมือนเขาหรือเปล่ า, าต้องตร ง, ต ง, ตงหลีกเลี่ยง ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ดวงจันทร์นี่ไม่สามารถที่จะชี้ให้เรารู้วันเวลาของของหนึ่งวันครบหนึ่งวันครบเนี่ยเราต้องใช้ดวงอาทิตย์หรือตะวันตะวันขึ้นตะวันตกอนนั้นน่ะคือการโคจรหรือการหมุนของโลกการหมุนของโลก ที่มันกลมอยู่แล้วอะนะเร่างนี้เราจะไม่ไม่ไม่ไม่พูดเยอะนะโลกมันกลมอยู่แล้วนะแล้วมันหมุนและการหมุนเนี่ยที่ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนและหนึ่งคืนหนึ่งวันซึ่งต้นทุนในการเรียนรู้เรื่องนี้นะคนเหมือนกันทั้งหมดเรยรู้ได้วันหนึ่งวันหนึ่งคืนก็หนึ่งวันใช่รู้แล้วหนึ่งวันนับหนึ่งวันสองวัน สามวันเขาก็สังเกตด้วยนะพร้อมที่เขานับหนึ่งวันสองวันสามาก็สังเกตว่าดวงจันทร์นี่มันก็เกิดเอา้าวเป็นฮิลาแล้วเป็นจันทร์เสี้ยวแล้วขึ้นแลเริ่มแล้วแล้วมันก็โคโจรของมันอันนี้ไม่ต้องมีวิชานะเขาก็สังเกตว่าโคโจรของมันในซึ่งการหมุนของดวงจันทร์รอบโลกเนี่ยมันก็จะครบหนึ่งเดือนโดยนับวันวันครบหนึ่งเดือน พอนหนึ่งเดือนแล้วสองเดือนสามเดือนสี่เดือนสิบสองเดือนอีนหนึ่งปีแล้ววิธีนับแบบนี้เนี่ยแบบจันตะคติเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องมีวิชาการไม่ต้องจบมหาวิยาลัยไม่ต้องเรียนวิชาคนวณใช้สายตายอย่างเดียวซึ่งเพียงพอที่จะได้เห็นโครงสร้างยิ่งใหญ่ของอัลลอสุภานวาตาและที่มนุษย์ทุกคนนะ่ะสามารถพินิจพิจารณาได้ ละมาดอิชาเสร็จแล้วก็ชงน้ำชากาแฟแล้วก็ออกไปนอนนอนหงายนยก็ดูเนี่ยก็ได้เรื่องแหละแต่อย่างที่บอกมันเป็นอิบาดะที่ถูกทอดทิ้งครั้งสุดท้ายที่พวกคุณเนี่ยได้มองอย่างฟากฟ้าแล้วก็ดูดวงดาวดวงจันทร์แล้วก็นึกถึงอัลลอฮ์ต้องนึกถึงอัลลอฮ์นะไม่ใช่ดูผู้นะ มองอย่างฝากฟ้าแล้วก็เห็นดวงดาวเห็นความมิ่งใหญ่แล้วก็นึกถึงอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยทำแบบเนี้ยเมื่อไหร่ทําเดือนละกี่ครั้งผมจะบอกว่าวันละกี่ครั้งนะเพระบางทีแทบไม่มีเวลาเลยนะที่จะออกไปดูเดือนละกี่ครั้งช่วงนี้แทบดูดูดวงจันทร์ในมือถือ <laughs> มันเป็นมันเป็นภาพที่ติดในจอเลยนะ สวยแต่ดูในจอไงมีหลายคนเนี่ยเขใส่ดวงจันทร์อยู่ในมือถือนี่เป็นเรื่องหลงผิดอย่างหนึ่งของมนุษย์นะไปทึ่งในการเรียนแบบของมนุษย์และไม่ทึ่งในต้นฉบับเวลานักวาดเนี่ยเขาวาดอะไรที่เรียนแบบจากทําไมโอ้นี่เขาวาดป่าต้นไม้สวยมากคำว่าละเอียดขนาดนั้นมันอะไรขนาดนั้นมันศิลปะโอ้สุดยอด จะแบบที่เขาลอกมานี่นะไม่เคยมานั่งดูต้นไม้ที่อัลลอ์สร้างมาันนั่งมองนั่งคิดความสุดยอดของสร้างของพระเจ้านี่ไม่เคยมีที่เขาที่เขาโชว์ฝีมือศิลปินวาดภาพเนี่ยดังกว่าธรรมชาติที่อัลลอ์ให้เราได้ไปดูฟรีๆเลยความสวยงามความยิ่งใหญ่ของมัน ซึ่งการที่เราได้ห่างไกลจากไอบาดาเนี่ยไอบาด้แห่งการพินิจพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่สร้างความกระด้างความห่างไกลของหัวใจผู้ศรัทธาจากพระเจ้าด้วยเหตุผลว่าเราไม่สามารถสัมผัสพระเจ้าได้มองเห็นก็ไม่ได้ อะไรเล่าที่จะทำให้เราเนี่ยได้พิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์นอกจากที่จะดูสิ่งยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้สร้างไว้ถึงจะสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอสุวรรณอัตตาละยิ่งได้เห็นผลของสิ่งที่อัลลอ์ได้สร้างไว้กับวิถีชีวิตของเราเนี่ก็คือการคำนวณวันเวลาและปี Allah ได้บอกว่ามา خلق Allah ذلك إلا بالحق Allah มีด้ยสิงสร้างสิ่งเหล่านั้นเว้นแต่ด้วยความทริงอิ่ลาบิลฮักแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นมรคลุกและผู้สร้างนี่ก็คือ a ล l a h บิลฮักนี่ก็คือสัจธรรมสัจธรรมนี่ต้องมีความชัดเจนอันนี้เป็นการพลาดพิง ถึงคนที่เอาเรื่องราวของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้านี่ก็คือบรรดาดวงดาวทั้งหลายเนี่ยมาบิดเบือนให้มีวิชาที่สร้างความเชื่อให้มนุษย์เนี่ยหลงหลงเชื่อกับกับสิ่งเหล่านี้และไม่เหนียวแน่นในเดชะนุภาพของโลสุภาโนมัสาาเช่น วิชอาห์รศาสตร์ที่ดูดวงดูที่ดูดวงดูนี่ทั้งหมดนี่มันก็จะสวนทางกับคำ ว, ว่าอิลไลบิลักอัลลอฮ์ได้สร้างที่อยู่ในฟากฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยคนที่จะมั่นใจในเรื่องนี้นักดารศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ที่เขาได้ศึกษาการโคจรของดวงดาวทั้งหลายเนี่ยเขาจะแปลกใจมากว่าคนเขาชื่อได้ยังไงเอ่ะว่าดวงดาวนี่ มันมีประโยชน์ในการที่จะให้เราเลือกวันแต่งงานเลือกวันซื้อรถ mm hmm. เลือกวันเดินทางดูคำดูแรมนักดราศาสนี่พวกเข้าทึ่งในในในความละเอียดของดวงดาวนี่เขาทึ่งยุฟัสซิลุลอะยาติลิกลอมีาลามุนพระองค์ทรง จำแนกสัญญาณต่างๆสําหรับมูชนที่มีความรู้ที่มีความรู้มีความรู้จากอะไราจากการเรียนตําราอะไรอย่างเง้มันไม่ใช่มีความรู้ที่ได้สะสมมาจากการพินิษฐ์พิจารณาตัวท่านนาบีสุลต่าละวะอัลลอฮฺสัลลัมก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยไม่ได้จบแต่สิ่งที่ท่านนาบีได้ทําแล้วก็เป็นคุณสมบัติของบรรดานบดุลลาบีราเสู้นี่ก็คือใครขวน ย้อนไมาอีกทีหนึงนะครับเรื่องหุ่นรลดีย่าละชัมสตรีอัพระองค์ทรงทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงจ้าแล้วก็ดวงจันทร์มีแสงหนวนแสงของดวงจันทร์เนี่ยแสงที่มาจากดวงจันทร์มันคือมุมที่เราได้เห็นแสงดวงจันทร์เฉพาะในโลกนี้หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย ไม่อยู่ไม่อยู่โลกนี้ละไปอยู่ดาวอังคารนี่ก็ก็ไม่เห็นละแล้วก็ไม่เห็นพอดวงจันทร์นี่เป็นเป็นเอ่อเป็นดาวที่โคจรรอบรอบโลกอย่างเดียวแล้วก็โลกเราแล้วก็มีก็มีดาวเดียวที่โคจรรอบโลกนะบางบางดาวนี่ก็จะมีดาวเล็กเนี่ยดาวเคราะหนี่ที่ที่มันโคจรหลายดวง ก็ได้แต่ของโลกดุนยาที่มนุษย์อาศัยอยู่นี่ก็มีดวงจันทร์อย่างเดียวฉะนั้นแสงที่อเล่พูดถึงเนี่ยแสงสำหรับการที่เราอยู่ในโลกอาศัยอยู่ในโลกนี้ซึ่งนักดาราศาสตร์นี่มารู้กันทีหลังนะครับว่าเวลาโคจรของดวงจันทร์เนี่ยไม่ใช่สามสิบวันหรือย9บวันเรารู้กันว่า ดวงจันทร์นี่มันโคจรรอบโลกเดือนหนึ่งยี่สิบเกจุดห้าวันโดยประมาณก็ยี่สบเก้าหรือสาสิบวันนั่นแหละไม่ใช่ดวงจันทร์นี่มันโคจรรอบโลกเวลาแท้ของมันนี่นะก็คือยี่็วันนิดๆขาดไปสองวันแล้วมาจากไหนอะที่เราเห็นมันนะมันโคจรกนก็เราเห็นไงใช่ ช่วงที่มันโคจอรเนี่ยมานี่สิบเจ็วันแต่โลกเองเนี่ยมันก็เคลื่อนทีโ่โลกนี่มันไม่นิ่งโลกนี่มันหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยซึ่งอันนี้ เ, นเรื่องที่มีความแน่นอนอยู่แล้วทางวิทยาศาสตร์ส่วนผู้รู้บางท่านที่ได้บอกว่าโลกนี่มันนิ่งอยู่กับที่มันไม่ได้โคจอรรอบดวงอาทิตย์อันนี้ก็เป็นการตีความ สำนวนกุรอานเนี่ยมันมีความได้หลายอย่างอัชามสุดาจุรีหรือมุสตะกริลฮะแต่ละอายนี่ที่เขาตีความเนี่ยมันไม่เอือ้อให้มีความชัดเจนในข้อสรุปว่าโลกนี้เนี่ยมั น, ม, นมันไ ม, ไม่ไม่หมุนรอบรอบดวงอาทิตย์แต่มีหลักฐานเยอะนะว่าโลกนี้มันมันหมุนรอบรอบดวงอาทิตย์ด้วยและการหมุนของมันนี่นะการเคลื่อนไหวของโลกเนี่ย ที่ทำให้โลกเนี่ยจะต้องขึ้นไหวเร็วกว่าดวงจันทร์ด้วยซ้ำขณะที่ดวงจันทร์เนี่ยมันจะครบรอบโลกเนี่ย27วันเนี่ยโลกเนี่ยมันก็ขึ้นที่ไปแล้วนี่สองวันสิ่งสองวันเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นการโคโจรของดวงจันทร์เนี่ยเพิ่มไปอีกสองวันคือย9วันนี่ การนับวันเนี่ยของดวงจันทร์ในภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าดิถีก็คือที่เขาดูดวงจันทร์เนี่ยนะตอนที่โลกมันบังแสงของดวงอาทิตย์ขณะที่ดวงจันทร์กําลังโคโจรเราก็จะเห็นภาพของดวงจันทร์จะเป็นแบบนี้อันนี้เต็มดวงนะ อันนี้ดวงเพนเพนเพนแปลว่าเต็มซึ่งอันนี้แหละครับการโคจรของมันเนี่ยของดวงจันทร์เนี่ยที่ทําให้เราได้เห็นแสงของดวงจันทร์นี่มันเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยนั่นคือการโคจรเราจะสังเกตเนี่ยขนาดที่ดวงจันทร์นี่มันโคจรอะนะแล้วเราเนี่ยเราอยู่ในโลกนี้แล้วก็ดวงจันทร์นี่มันโคจรรอบโลกกันนะดวงจันทร์เนี่ยมันก็จะหมุนด้วยนะ แต่ขณะที่มันหมุนเนี่ยเราเนี่ยจะเห็นเฉพาะซี่หนึ่งข้างหนึ่งข้างเดียวของดวงจันทร์อีกข้างเราไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเห็นล่าสุดเนวลาเขายิงดาเทียมไปห้าสิบล้านไมล์เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งของของจักรวาลถึงไทยอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ได้แต่ที่เราเห็นนี่ก็คือข้างเดียวของดวงจันทร์นะแต่ข้างเดียวนี่แหละ ที่มันจะมีการสลับเปลี่ยนตำแหน่งของแสงดวงอาทิตย์ที่จะสะท้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยมายังดวงจันทร์ขณะที่ดวงจันทร์นี่กาลังโคจร อ, อยู่นะโคจร อ, อยู่และแสงดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ส่องแสงสว่างของมันเนี่ยการโคจรของมันเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยจะได้ครบรอบหนึ่งเดือนนี่ ดวงจันทร์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนก็คือย9สบเกวันนิดนิดยบเก้าครึง่งทางอาหรับโบราณน่ะ น, นะเขาก็ได้จัดตั้งตำแหน่งตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยที่มันโคจรเนี่ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อไว้เลยทั้งหมดเนี่ยยบดตำแหน่ง ทั้งหมดในย8สิแปตำแหน่งเอา้าแล้วก็ขาดอีกหนึ่งวันครึ่งไม่มีตำแหน่งใช่เพราะช่วงนั้นนะ่ะดวงจันทร์มันดับก็คือไม่มีแสงไม่มีแสงก็เลยก็เลยจะเป็นตำแหน่งเรื่องตำแหน่งจันทร์ดับนี่าก็เลยแบ่งแบบ น, นี้คือตำแหน่งต่างๆของดวงจันทร์ที่รับแสงของดวงอาทิตย์ขณะที่กาลังโคโจรรอบโลก นี่ภาษาไทยนี่ก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้แบบนับนับแบบไทยนะที่เขาเรียกว่าถีถ้าเต็มดวงเนี่ยเขาจะเรียกว่าขึ้นสิบห้าคำถ้าจันดับเนี่ยเขาเรียกวแรมแรมสิบห้าคำก็คือยีิบเก้าครึ่งหรือสามสิบเนี่ยดับแล้ไม่มีแล้วดวงจันทร์ไม่มีไม่มีแสงและไม่มีแสงสะท้อนมาจาก ซึ่งอัลลอฮ์ได้ชี้ถึงตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยมานาซิลุลกมรนี่ ل ل ว่าคดดนั่วมานาซิลลเราได้กำหนดตำแหน่งมาน ا ا وت, าซิลมานาซิลพะอุปเอกบทมันซิลมันซิลเนี่ยอรีกว่ามันซิลแปลวบ้านบ้านแปลว่าอะไรแปลว่าที่พักที่อาศัยอยู่ก็เลยยืมมาใช้ว่าทุกจุดที่ดวงอาทิต ด, ดวงจันเนี่ยมันโคจรอะมันเหมือนเป็นที่อาศัยอยู่ เป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์จะต้องมาสัยอยู่เป็นแต่ ล, ละช่วงแต่ ล, ละช่วงนี่เรียกว่ามานาซิลมานาซิลที่ที่ต้องโคจรแล้วก็มาพักนี่วันนี้วันหนึ่งอันดับนี้เขาก็คำนวณ น, นะแต่เขาไม่ได้คำนวณแบบแบบใช้วิชาเลขเขาอาศัยการสังเกตเพราะเขาสังเกตว่าดวงจันทร์เนี่ย มันโคโจรตำแหน่งของมันเนี่ย28ตำแหน่งแล้วดวงอาทิตย์เนี่ย28ตำแหน่งนี้หนึ่งวันก็หนึ่งตำแหน่งไม่ไดหมายควาว่ า, าจะถึงหนึ่งวันนี่หนึ่งวันก็จะย้ายไปอีกอีกหนึ่งตำแหน่งนี้ก็อีกห น, นึ่งวันนี่เป็นตน้นแล้วดวงอาทิตย์น่นะการโคโจรของของโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ย ก็จะทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมาขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งใน28ตำแหน่งเนี่ยแต่นานกว่าดวงดวงจันทร์โดยจะใช้ประมาณหนึ่งตแหน่ง13วันคูณแล้วเนี่ยรอบปีอันนี้ก็เป็นสุริยะตดีแล้วนะรอบปีนี่ก็3 6 5วันซึ่งทั้งตำแหน่งดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์ที่ใช้ วิธีสังเกตการเนี่ยอาหรับเนี่ยเขาก็มีความเชื่อที่แทรกเข้ามาในเรื่องสังเกตการของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเนี่ยความเชื่อว่าตำแหน่งนี้อ่าศูนย์หน่ี่สิบแปดตำแหน่งนะของดวงเนี่ยตำแหน่งนี้ ของดวงจันทร์เนี่ยที่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้บนท้องฟ้าเนี่ยสิบสาวันนะ่ะมันเป็นตำแหน่งเชื่อบแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้มันจะเป็นตำแหน่งแห่งความโชคดีแห่งโอกาสดีในการปลูกพืชผลตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะแต่ใครจะแต่งงานเจ๊งนะาแต่ใครจะทำธุรกิจใครเดินทางเนี่ยล้มละลายแล้วเขาเรียกกันเรื่องนี้อัลอันวา อันว่าซึ่งความเชื่อนี่เดี๋ยวจะดูนะความเชื่อนี่ทุกอะไรทํารนี่แทบมีเอาเรื่องดวงดาวนี่มาแฝงความเชื่อแปลกปลอมที่ไม่มีเหตุผลเลยอะนะแล้วมาผูกพันวิถีชีวิตกับมันอาหรับนี่เขาก็เชื่อถ้าเดินทางประสบความสําเร็จอ้ก็เพราะดวงดาวนี่แล้วก็ดวงอาทิตย์นี่มันอยู่ช่วงเนาไอไอเนาไอเจ้านี่ แล้วถ้าไปสงครามแล้วก็ออกกอดนั่นแหละก็บอกแล้วว่าสงครามในช่วงนี้อย่าออกเพราะมันเป็นเน้าอีนี่มีวันหนึ่งท่านน บ, บีเดินทางแล้วมันช่วงแห้งแลง้งเขาก็หิวน้ำเช้าตู่นี่ฝนตกอาดับที่เพิ่งรับอิสลามใหม่นะเขาก็พูดตามจารีของเขาโอ้ฝนตกนี่มุตนะื้นาบินเน้าอีกะจะเราได ได้โชคดีของเนา่าไอเจ้าเนา่าตัวนี้นะฝนก็นเลยตกฝนตกเพราะอะไรเพราะโชคดีของตำแหน่งดวงดาวเหล่านี้เดมจะดูนะของเราก็มีของไทยก็มีจีนก็มีพรังก็มีหมดแหละแต่เดี๋ยวก็เออคุณอ่านนี่ก็พูดถึงเรื่องสิ่งเวทร้อมที่มันมีในสังคมเหมือนกันนะอาหรับเขาก็เคยมีไง มูตรนาบินเอาอีกกะซะว่ากะซะเราได้มีฝนเพอในโชคดีของดวงดาวชดวงดวงของช่วงเวลานี้มันดีฮานิสบันทึกดยอิมามมุฮัรริเลมัลลิมท่านนบีก็ับบอว่ากล่าวอัลลอฮฺ تعالى อัลลอฮฺบาอักษินเปนฮานสกุลซีนนะ أصبح اليوم من عبادي كافر ب ومؤمن ชาวตุรนีเนี่ยเบาของข้าีมีกลุ่มหนึ่ง เป็นผู้ศรัทธาต่อข้าและมีกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ปฏิเสธต่อข้าผู้ที่ศรัทธาต่อข้า فمن آمن بي فقال م ت ผู้ที่ศรัทธาต่อข้านี่คือคนที่กล่าวว่าเราได้รับฝนตกเนี่ยด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุานะางทีเราต้องระวังนะ ฝนตกนี่ไงอุตโนี่อุตุนี่มันบอกแล้วไงนี่ไงอุตุนีิยมนี่เขาเขาแถแรงแล้วมีนี่ไงพายุมาเออฟังเขาแล้วในตอนเช้านี่เขาบอกว่ามีพายุผู้ศรัทธาต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องติดปากว่าจะทำไงท่ า, า, า, านนายกนฝนตกนี่ฝนตกนี่ต้องมีด ع อาละดูอาฝนตก อัลลอฮุมอัลลอฮ์ขอขอให้ฝนนี้เป็นฝนที่มีความโปรดปรานมีความจําเริญเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเชื่อว่าฝนนี้มาจากอัลลอฮ์จึงนี่ดูอาแบบนี้แต่ถ้าหกว่าเราเออความเชื่อนี้มันพอฝนตกเนี่โอ้โชคดีจังเลยนี่อุตุนี่มันเชื่อถือเหมือนกันนะอุตุนิยมนี่ก็จะกลายเป็นแกเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งกําหนดชะตากรรม ของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะเ ก, กิดขึ้นน้ำจะท่วมจะไม่ท่วมลึกๆนี่เราเชื่ออยู่แล้วอะกำหนดการนี่ของของอัลลอฮฺสุบัยนะอวดาละตอนนั้นฮะดีษตามานี่อัลลอได้บอกว่าโอ้มันก้อละมุติรนาบินาวอีกัสเดกะผู้ใดที่บอกว่าเราได้ผลเ น, นี่ยเพราะเนเพราะดวงดาวตรงนี้โชคดีของดวงนี้ดวงมันดีแบบนนแบบนู้นแบบนี้ฟากดกาฟร ก็ถือว่าปฏิเสธต่อฉันสมหรับนี่เขก็จะมีนะหมอดูมีหมอดูดูอะไรอ่ะดูดวงเกิดวันไหนอ่ะเดือนไหนนะเขาจะรู้เลยถ้าเกิดวันนี้ของเดือนนี้อเสนอเงว่าดวงของท่านนี้เป็นดวงนี้แล้วก็ต้องดูโคจรของดวงของดวงของคนเนี่ยอ่าแล้วก็ตําแหน่งของมันกับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์กับดวงอื่นๆด้วยอ่าแล้วก็มีวิธีคํานวณอะไรของเขาอะนะ แต่หมอดูสมัยอาับนี่ก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้คํานวณอะไรมากมายหรอกเขาสังเกตการณ์ว่าเกิดเดือนไหนเดือนนี้เดือนนี้แสดงว่าวมันเป็นเดือนของดวงเจ้านี้แล้วดวงเจ้านี้ถ้ามันขนานกับดวงนี้คุณรวยรวยเฮงเฮงมีสมัยนู้นเขาเรียกว่าอารอฟอารอฟมาเต็กริยอาราฟะ อาราอะไปว่ารู้ดีเขาเคยเลย่นกับอา ร, ราบโอรู้ดีทำอะไรอะไออาราบเนี่ยนี่แหละชี้ชะตากรรมชี้ชะตากรรมจริงถ้าเดินทางแล้วอะนะชีวิตนี่รุ่งก็ไอ้หมอดูบอกว่ายาเดินทางนี่โดนฆ่าแน่นอน ก็ไม่ออกนี่สีชตาตากรรมชัดเจนนบีจะเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนี้ยกุรอานนี่ได้มาทําหน้าที่ระดับหนึ่งแล้วนี่ในการที่จะปรับความเชื่อของเขานี่ว่าไม่ใช่ดวงดาวนี่ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อสิ่งเหล่านี้มาข้อละกอหละอุไธลิกะอิละเป็ฮักไม่ได้ถูกสร้างนอกจากสิ่งที่มันเป็นความจริงและสัจธรรมที่มันชัดเจนไม่ใช่เรื่องลึกๆแบบนี้ลึกลับถึงขนาดที่ไม่มีใครรู้นอกจากมอดู แล้วหมอดูนี่คือต้องอยู่ในบ้านรุกรกอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแล้วคนระดับพวกนายกนี่เขาต้องเดินทางไปให้หมดขนาดนั้นน่ะเลยพวกนายกนี่ผู้นําประเทศนี่แสดงว่าชะตากรรมทั้งประเทศอยู่กับพวกนี้ใช่ไหมนี่ความง ม, มงายนี่มันมันจะมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่ถ้ามนุษย์เนี่ยเพี้ยนเรื่องความความเชื่อ ถึงขนาดที่ท่านนบีเนี่ยใช้ไม้เด็ดรุนแรงมากกับคนที่หลงเชื่อกับพวกหมอดูด้วยดูดวงนี่แหละมันอัตอัรอฟันผู้ใดที่ไปหาหมอดูลำทุกบละหูซาลาตุนอไบนอะนะแค่ไปหาหมอดูนี่นะอัลลอฮฺไม่รับการละหมาดสี่สิบวันละอีกบทหนึ่ง มันเอต่่อกร้าวพูดอดีเบี่ยงมหดูน่ะฟัสตักเขาล่าเชื่อเมัอนนะเชื่อมันนะ فقد كفر بما أ ن ز ม على محمد ก็ถือว่าปฏิเสธในสิ่งที่ท่านนบีประทานลงมาถูกประทานลงมาอย่างท่านนบีก็คือกุณอ่านก็คือที่กุณอ่านบอกว่ามาคาละกัลลอฮูเจลิกะอินลาบิลฮักดวงดาวทั้งหลายที่อยู่ในท้องฟ้าเนี่ยเราไม่ได้สร้างมันเพื่ออื่นใดนอกจากความจริงและสัจธรรมที่มันชัดเจนแต่ที่มันชัดนี่ก็ยังเป็นงมงายสิ นี่คือคุรานที่อัลลอประทานลงมากับท่านดาบีแต่ใครที่ไปหาหมอดูนี่ก็แสดงว่าไม่ยอมรับในในเนื้อหาของอายะแบบนี้แสดงว่าเปิดหนังสือพิมพ์เปิดวรารสารโบราณแล้วในะนี้เป็นแอปแล้วแอปดูดวงขอดูหน่อยพอดีวันนี้เจ้านายให้เดินทางไปตั้งจังหวัดไปทำธุระสักนิดหนึ่ง ดูหน่อยดูดวงเดินทางดีไหมไปได้ไหมเวะเซเว่นไหมเติมน้ำมีขนาดนั้นเลยนะเติมน้ำมันก่อนออกหรือเติมน้ำมันกลางทางขนาดนั้นเลยนะถ้าชีวิตลองคิดดูสิถ้าชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เนี่ยไม่มีศูนย์กลางเดียวที่จะกํากับชีวิตของเขาเนี่ยแต่ ถูกกำกับด้วยดวงดาวที่นับเป็นล้านเป็นพันล้านเนี่ยพี่น้องลองคิดดูสิคูณตําแหน่งของดวงดาวเนี่ยคูณทัศนคติและวิชาของพวกหมอดูเพราะไม่เหมือนกันไปหาหมอดูคนนี้เขาบอกว่าอย่าไปอีกคนหนึงบอกว่าไปเถอะคูณทัศนาเนี่ยหมายถึงว่าการโคโจรของดวงดาวนี่นะก็ไปคูณกับทัศนาของและเจ้าพวกหมอดูนี่ ดูดวงดาวโดยอาศัยไผ่ด้วยโอ้คูณไปอีกสิคูณไปอีกคูณอะไรความงมงายความหลงผิดความไม่ชัดเจนมนุษย์เสียเปรียบขนาดไหนที่ไม่ยอมเชื่อในพระเจ้าเสียเปรียบแล้วก็หลงหลงกับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยมนุษย์ที่มีความรู้พบบกันและแต่ผูกพันชะตากรรมชีวิตของเขาเนี่ยกับมนุษย์ด้วยกัน กับสิ่งมหลุกสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันนี่ก็เป็นสิ่งที่กุรานนี่ได้พูดไว้ในสุรานี้ในสุรานูนัสอัลลอฮ์ได้จําแนกสัญญาณต่างๆสําหรับหมู่ชนที่มีความรู้ความรู้เรื่องอความรู้เรื่องบทบัญญัตินี่แหละองค์การกุรานคาสั่งสอนของอิสลาม พอได้รู้แล้วว่าสัญญาณของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่อายะต์อันุฟซิลอายะหสัญญาณอายะตรงนี้นี่หมายถึงว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ประกาศขึ้นมาเพราะในบันทึกของบุคคลในมุสลิมเนี่ยตอนที่ดวงดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดสุรยิยประคารนี่ท่านนาบีขึ้นมิมบัตละหมาดแล้วก็ขึ้นมิมบัต์ในขุดบัต ข, ของการละหมาดสุรยิยประคาแล้วบอกว่า อินนัชัมเสว์ละควมรอายตานีอินนัชัมเสว์ละควมรอายตานีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่เป็นสัญญาณสองสัญญาณมินอายะติละของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สร้างไว้มันจะไม่ถูกละยันกะซีฟะนีคุซูฟละคุซูฟเนี่ยในภาษาอ раб แลก็ในในคศัพท์ในสุนนะของท่านนบีเนี่ย ก็คือบังแสดงว่ารู้เขารู้กันมาไหนแต่ไหนแล้วว่าว่าแสงดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยพอมันเกิดสุริยุปราคาหรืจันจรุปราคาเนี่มันเกิดจากการบังบังแสงเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เกิดสุรยปราคาจนจันทรุปราคาไม่ได้เกิดพ่อมีคนจะตายคน คนจะเกิดคนยิ่งใหญ่จะตะคนยิ่งใหญ่จะเกิดเพราะสุริยระราคาตอนที่เกิดสมัยท่านนับีเนี่ยเกิดหลังจากที่ลูกชายของท่านอับดุลเบียร์สุลต่านเลยสละมเสียชีวิตคนบางคนเขาบอกว่านี่ไงนิ่ไงคนสําคัญในสังคมอย่างลูกชายของท่านนาบีคนปลูกของท่านนับดบีรอิบราฮิมอะคือลูกชายเสียชีวิตอายุสองขวบหรือสี่ขวบนี่เลถึงขนาที่ดวงอาทิตย์ต้องต้อง เกิดสุริยปคาณี่พาะมีคนสำคัญแบบนี้ในชีวิตนบีพูดเลยหักล้างความเชื่อดั้งเดิมเลยว่าไม่ใช่สอดคล้องกับเนี่ยที่คุณอ่านได้สอนว่าอัลลอฮ์จำแนกระดัสัญญาเนี่ยให้รู้ชัดเนยว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรที่จะสร้างสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วเราต้องคิดนะครับ ว่าบรรดาดวงดาวทั้งหลายที่มีในโลกจักรวาลของเราเนี่ยมันใหญ่ขนาดมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและตัวเราเองเนี่ยเล็กขนาดไหนต้องคิดว่าสำหรับอัลลสุบฮานาอัลลอฮฺสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันใหญ่กว่าเราเนี่เป็นล้านล้านเป็นแสนล้านเท่าเนี่ยเพียงให้เราได้เชื่อในพระเจ้าที่สร้างมัน มันคุ้มแล้วเนี่ยสำหรับการสร้างสิ่งเหล่านี้จะได้ตระหนักถึงความสําคัญของมนุษย์นอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์หมายถึงว่าอัลละฮ์สร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราได้มีโอกาสสักวันหนึ่งได้มองได้มองแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็เกิดความศรัทธาในพระเจ้าที่สร้างสิ่งเหล่านี้ มันคุ้มแล้วกับการที่สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างมาคุ้มแล้วแต่ได้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทาให้เราเนี่หลงไม่ศรัทธาในพระเจ้าหรือเดชานุภาพของพระเจ้านี่เอามามอเอาไปสิ่งเหล่านี้ที่มันจะกำหนดชะตากรรมชีวิตของเราแน่นอนคนที่ดูดวงดูดาวหาหมอดูเนี่ย ชีวิตของเขาไม่มีอะไรเรียกว่าดูอาอะไรเรียกว่าวิงวอนพระเจ้าร้องขอต่อพระเจ้าพอชะตากรรมเขาเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าอยู่ที่พระเจ้าและแปลกนะพวกนี้เนี่ยแอบอ้างว่าเขาเขาไม่เชื่อในพระเจ้ามงมงายแต่กลับไปเชื่อหมอดูกลับไปเชื่อในวิชาโหราศาสตร์และนี่คือ เรียกวอันวะที่อาหรับนี่เขาเอาตำแหน่งของดวงดวงจันทร์เนี่ยมาคำนวณการโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์ว่าแต่และตำแหน่งของดวงจันทร์ที่ใช้หนึ่งวันนี่นะสำหรับดวงอาทิตย์จะใช่สิบสาวันและด้วยวิธีนี้เนี่ยอาหรับก็เลยรู้ฤดูต่างๆเพราะสิ่งวันร้อนนี่มันสามารถ สังเกตการได้ว่าช่วงหน้าร้อนจะจะเป็นช่วงไหนจากการโคจรของดวงอาทิตย์อันนี้มันชัดกว่าดวงจันทร์นี้ไม่สามารถรู้ฤดูจากโคจรของดวงดวงจันทร์ซึ่งตำแหน่งเนี้ยที่อัลลอฮฺได้พูดถึงวกัดดะวกัดดะน้าหูมะนาซีละเราได้กำหนดโคจรของมันเนี่ยเราได้กำหนดโคจรและตำแหน่งโคจรของมันเนี่ย โคโจรที่อัลลอฮฺพูดถึงก็คือการโคโจรของดวงจันทร์ซึ่งตามหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยศาสนากิจต่างๆทั้งสิน้นขึ้นกับการกำหนดเวลาของการโคโจรของดวงจันทร์ก็คือการนับเวลาตามระบบจันทรคติ รอมฎอนเข้าเดือนออกเดือนนี่ก็จำเดันเด็ดขัติไปประกอบพิธีฮัจญ์ในเดือนสุริยจัก็ต้องจด่นเด็ดขัดติอบาดาที่เราได้ผูกมัดไว้กับเวลาเช่นถ้ามีคนบนบานสมมุติน่ะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าฉันบนบานจะถือสิณดหนึ่งเดือนแล้วก็ไม่ได้กาหนดไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเดือนอะไรมกราทธนว่า ถ้าไม่ได้กําหนดนะจะต้องใช้จันทคติเป็นก็นกกหมายถึงว่าให้ถือสิ้นอดตามเวลาของจันทคติไม่ใช่เวลาของเสลสุธคติถ้าจะนับตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนก็จะถือสิ้นอดตามจันทคติอาจจะ29วันอาจจะ30สิบวันแต่ถ้าคมละ่ะมกราคมอะถือสิ้นกี่วันสา ม, สสามส คถ้าเป็นด้วยจันทึกคดีเนี่ยมันตายตัวยอะไรยี่สิบเก้าหรือสามสิบวันแต่ในกรณีที่เราจะถือสิ้นอดหนึ่งเดือนโดยที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดนะก็ต้องตามหนึ่งเดือนของจันทึกคดีเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ถือตั้งแต่ต้นเดือนสมมติเราไปถือตั้งแต่วันที่สิบห้ามูฮัรรอมอเงี้ยเราจะถือหนึ่งเดือนจะนับยังไงอุลามาส่วนมากบอกว่าให้นับสามสิบวันเพราะเป็นเวลา เต็มของเดือนแต่มากกว่านั้นไม่ได้30สวันนี่คือมากที่สุดม ม, มีผลอยาได้ไงบ้านะด้วยถ้าสมมติบอกว่าวันที่ส5บหนี่นะฉันอย่าเธออะไรอ่ะและในใจในสมองเนี่ยไม่ได้คิด15เดือนอะไรระบบอะไรส่วนแรกดีส่วนร้รกดี ตอนตัดสินนะว่าเอาสอว่วนที่สิและนี่ยังยังจะมาถึงนี่เนี่ยจะวันที่สิบหของเดือนปฏิทินอิสลามวันที่ของเดือนสากลตามหลักการศาสนาให้นับตามจันดคตินี่ก็คือตามปฏิทินอิสลามนี่อีกขั้นเลยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนส่วนมากนี่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจกันว่าความสําคัญของของการนับปฏิทินอิสลามที่ต้องอาศัยระบบ จันทคติเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับทุกเรื่องในชีวิตที่เกี่ยวกับเวลาเพราะเวลาของของผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะต้องผูกพันกับจันทคติสากลนี่ยเขาก็มีนะแต่ส่วนมากในสากลเนี่ยก็จะใช้ระบบสุริยะคติพอเขาจะเอาสุริยะวิถีเนี่ยเป็นเป็นรูปแบบในการสังเกตการโคจรของดวงดาว ซึ่งรูปแบบของสุริยคติ์นี้ก็จะต้องใช้วิธีคํานวณพอสมควรแล้วเขาได้กําหนดตําแหน่งโคโจรเหมือนกันมนาน้าซิลเหมือนกันของสุริยวิถีเนี่ยเขาก็กําหนดตําแหน่งของมันเหมือ น, นตำแหน่งนี้เขาก็เรียกันจากราราศีในท้องฟ้านี่ตำแหน่งของการโคโจรของโลก ของโลกรอบดวงอาทิตย์พอกลางคืนแล้วเนี่ยเราจะเห็นไงว่าช่วงโคโจรของโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยแต่และช่วงเนี่ยเราจะเห็นอะไรในท้องฟ้าซึ่งนักดารษศาสตร์ไหนแต่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็กำหนดว่าจากราศีนี่มันมีทั้งหมดเนี่ยสสองตำแหน่งตามสัปสัตทั้งหลายที่เขา ได้กําหนดไว้อันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงในคุตตา น, นี่ที่อัลลอฮฺได้พูดถึงเรื่องตําแหน่งโคจรเนี่ยในอายะเนี่ยซ ja uh งกําหนดให้มันมีทั้โคจรตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าดวงอาทิตย์นะดวงจันทร์อย่างเดียวเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหมายรวมว่าการโคจรของดวงอาทิตย์ด้วย โคจรของดวงอาทิติเนี่ยค่อนข้างละเอียดเพราะมันไม่แน่นอนมันขาดบ้างไม่ขาดบ้างจึงต้องเติมด้วยแต่ของดวงจันทร์เนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องปรับนอกจากวิธีนับที่เขาเรียกกันดิถีก็คือนับวันของระบบจันตคติถ้าเป็นดิถีระบบ ระบบไทยเนี่ยของไทยเนี่ยของราชการของหลวงอะนะเขาจะใช้คำนวณเขาจะใช้คำนวณวันและเดือนจะได้ปะส่วนที่มันต่างกันของของการขาดของการโคโจรเพราะดวงดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ใช่ส0สิบเปซ ม, มันะยี่บเก้าเปซมันยี่สิบเกกว่านิดนิด ซึ่งถ้าจะใช้ตัวเลขนะก็ต้องคำนวณเพราะฉะนั้นการนับเดือนของปฏิทินไทยที่ใช้ระบบจันทคติเนี่ยทุกกี่ปีเนี่ยเ ข, เขาจะเาจะเติมหนึ่งเดือนปีหนึ่งจะมีสิบสามเดือนไม่ใช่สิบสองเดือนทำไมอ่าพราะเขาเพราะเขาใช้คำนวณวันเวลาตามตามเวลาล่ละ แต่มันมีระบบหนึ่งของราชการที่สี่ราชการที่สี่เนี่ยเขาใช้คำนวณที่อาศัยการดูแสงของดวงจันทร์เขาบอกว่าอันนี้มันชัวชัวแน่นอนแล้ววิธีคำนวณวของเขาในที่คำนวณเนี่ยปรากฏว่ามันตรงกับผลที่คำนวณเนี่ยตรงกับที่สากรดราราศาสตร์เนี่ยได้คำนวณไว้เวลาของหนึ่งเดือน ซึ่งระบบการคำนวณของโคโจรของดวงจันทร์เนี่ยของรัชกาลที่สี่เนี่ยเขาเรียกอะไรนะปักปักกัคนน า, นาปักกคนน า, นาจะใช้เฉพาะพุทธศาสนานิกายธรรมยุทธนิกายมหายานเนี่ยไม่ใช่ีนใช้ระบบหลวง ซึ่งมันจะต่างกันนิดหนึ่งต่างกันว่าของราชการที่สี่ในสิบสองเดือนเสมอแต่ของหลวงนี่จะมีบางปีเนี่ยเป็นสิบสามเดือนเพราะฉะนั้นระบบนับเดือนจันทค ต, ติระหว่างสองนิกายพุทธในบ้านเราอะนะมหามหานิกายแล้วก็แล้วก็ธรรมยุทธ์น่ะนะเขาก็มีขีดลาฟกันนะเขาก็มีความขัดแย้งกัน เพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นมุสลิมเนี่ยเออเข้าบวชออกบวชไม่เหมือนกันนะสังเกตมหว่าพี่น้องชาวอุ้นเนี่ยเขาไม่แปลกใจทําไมเหรอเพราะไอ้ความไอ้ความแตกต่างนี่ยเขามีอยู่แต่ปรากฏว่าไอ้พวกเรานี่แหละที่ไม่อยากจะเห็นความขัดแย้งในเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นแบบไมันอาศัยการมองเห็นแล้วมองเห็นเนี่ยถ้าจจะถ้าคนนี้ไม่เห็นคุณั้ไม่เห็นนี่ก็มีโอกาสที่จะต่างกันได้ คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาเขาเขาเก็ตเลยนะทําไมอะเพราะสองนี่กายใหญ่เนี่ยเขาก็รู้ว่าเออเรื่องนับแค่แค่คํานวณดวงจันทร์นี่ยังไม่เหมือนกันแหละแล้วไม่เหมือนกันไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่วันวันสองวันเดือนหนึ่งอะนีกายนี่สิบสามเดือนนิกายนี้นี่สิบสองเดือนอะบางปีเนี่ยจะเป็นแบบนั้นลองคิดดูสิมันมันไม่ใช่เป็นป็นหาปัญหาใหญ่แต่ สำหรับซุนหน้าที่ได้มากำกับวิธีคำนวณเดือนให้อาศัยการมองเห็นและคำชับด้วยจะได้เข้าใจว่าเทวราชบอกว่าลีตาและมัวาเดดเดศีนีนเพื่อพวกท่านจะได้รู้จำนวนปีและการคำนวณคำนวณตรงนี้นี่หมายถึงว่าโอ้คำนวณตัวเลขอะไรไม่ใช่คำนวณ น, นั่นก็คือนับนับแบบง่ายๆทำไมอ่ะทไมต้องตีความแบบนี้ล่ะเพราะ ถ้าหากว่าคํานวณนี่ไหมทั้งหมดดาราศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรพวกนี้ยนะสแสดงว่าอัลลอฮ์นี่เท่ากับบังคับผู้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยต้องศึกษาคณิตศาสตร์ต้องศึกษาดาราศ า, ตตศาสาตร์มันจะได้คํานวณไงถ้าไม่รู้วิชาเลขคณิตศาสตร์นี่คํานวณไม่ได้แต่ท่านนาบีพูดยังไงในบันทึกของมุฮั่มมัดมุสลิมอินเนอุมมตุนอุมมยะตุนแท้จริงเราเป็นประชาชาติ ที่ไม่ได้อาศัยเรื่องคำนวณและจักตบวกลจักไม่อาศัยเรื่องการบันทึกและการคำนวณนี่อาเชอรูฮากาะซาอฮากะซเดือนของเรานี่เดือนหนึ่งยี่สิบเก้าอีกเดือนหนึ่งก็สามสิบหมายถึงว่าง่ายๆสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้นี่สามารถที่จะคำนวณเดือนแล้วก็ปีได้เทนี้ผลที่เราได้มาจากอายานี้นี่ ต่อชีวิตของพวกเราทุกคนน่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่และความละเอียดของดวงดาวเนี่ยเพื่อให้ดวงดาวนี่มันกาหนชดชะตาการรมของเราแต่ความละเอียดความยิ่งใหญ่ของดวงดาวนี่อัลลอฮ์ให้มันเป็นสัญญาณเป็นอายัดจะได้สัมผัส และตระหนักในความยิ่งใหญ่ของเราสุภาาวตฒนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนที่จะต้องมีข้อผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เป็นไปนไม่ได้นะที่เราจะสร้างดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์และเราจะไม่ให้สองสิ่งเหล่านี้เนี่ยจูมหัวใจของเราที่จะไปเชื่อมั่น ศรัทธาในความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างถึงบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นอิบะดาที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบราฮิมแต่ก็บรรดานบีรอซูลทั้งหลายเนี่ยบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายเนี่ยเขาปฏิบัติอิบะดานี้อย่างสม่ำเสมอและในกุรอ่านนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้มากมายแล้วก็ดูอายะถัดมานี่ก็จะพูดถึงเรื่องดวงจะพูดถึงเรื่องกลางวันแล้วก็ กลางคืนซึ่งกลางวันและกลางคืนก็คือผลลัพธ์ของการโครจรของการหมุนของโลกนี้ที่จะให้เกิดกลางวันและกลางคืนและผลที่มันจะต้องตามมาจากการสับเปลี่ยนของกลางวันและกลางคืนต่อชีวิตของเราแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าว่าสายตาของผู้ศรัทธาเนี่ยบอด ไม่มีโอกาสหรือความสามารถที่จะสังเกตการสิ่งเดียวเราสร้างไว้ในท้องฟ้าท้องฟ้าอันกว้างขวางอันไพศาลเนี่ยเดียวเราสร้างให้เราไม่มีใครถือชนวนนะท้องฟ้าไม่มีใครจะห้ามเราะนะคนส่วนมากอ่นะทีมีมีดวงตาที่สามารถมองเห็นได้เนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ ดูสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราได้สร้างไว้และเพิ่มพูนอิมานของเราซึ่งอย่างที่บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านอบีได้ทําก่อนที่จะรับวะฮิยูนะและเป็นสิ่งที่ผู้รู้นี่ก็ได้เล่าประสบการณ์เช่นเดียวกันถ้าช่วงที่เรารู้สึกอิมานอ่อนแอ ช่วงที่เรารู้สึกว่าเออมันทางมันตันมองไปยังฟากฟา้าการมองไปยังท้องฟ้าเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างอย่างแรกเนี่ยแค่เห็นความยิ่งใหญ่ของโลกสุภาโนวดาลาะในท้องฟ้าที่เราสร้างไว้ซึ่งอย่างที่บอกว่าอาญานี้เนี่ย สมอายะเนี่ยที่อัลลอฮ์จะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อปลอบใจท่านนบีสุลต์ละสัลลัมเขาปฏิเสธกุรอ่านปฏิเสธเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าไม่ต้องเสียใจมากหรอกเพราะพระเจ้าที่อยู่กับท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นพระเจ้าที่สร้างทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยพวกเราเนี่บางทีเนี่ยไปเสียใจเพราะต่างหายไปนิดเดียวโอกาส พลาดไปนิดเดียวถึงขณะที่ร้องอกร้องไห้แต่พอเห็นว่าเอ้ยในสรพสิ่งที่ Allah สร้างอะนะมันมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าที่เรากำลังเสียใจกับมันอืมถ้าเรากับญาติพี่น้องกับกับคนใกล้ตัวเรื่องที่ดินเดิงทรัพย์ ส, สินนี่มันโกงฉันนะทนา่ หนึ่งตารางว่าดูดิดูดท้องฟ้าดิไปดูดิดูดิสิ่งเดียที่อัลลอฮฺสร้างไว้นี่มันไพศาลขนาดไหนแต่เราไปกระจุกอยู่กับเรื่องเดียวที่และที่เราถือกรรมสิทธิ์ไม่บริบูรณ์นะที่เรากำลังแย่งรับกันเนี่ยที่เราทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเราก็ไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรนณนะ์ลองนะครับ มองไปยังท้องฟ้าเพราะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะผมไม่พลาด น, นะครับถ้าเราได้เห็นสิ่งที่อย่างที่อัลลอะเทียร์เาสร้างเราจะได้ถึงจุดความยิ่งใหญ่ที่เราต้องการที่เราก็รู้เกี่ยวกับอัลลอสุบฮานะว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ย และถ้าเราตระหนักในความเยี่ยงของเลาเนี่นะการขอดุอ่า์ของเราการที่เราจะได้กำลังใจการที่เราจะถูกปลอบใจในความทุกข์ในความเครียดที่เรามีอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆพูดจริงนะไม่ไดพูดเล่นนะการมองไปอย่างตองฟ้าเนี่ยมันช่วยคลายเครียดช่วยให้กำลังใจช่วยเพิ่มอีมาน ช่วยให้โล่ง อ, อกโล่งใจปกติเขาไม่พูดกันนะผู้รู้เขาไม่พูดกันนะถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบลู่เขาไม่พูดกันนะบางคนเอ้ยฟ้าก็เห็นกันทุกวันไม่เหนีะแต่เขาไม่พูดกันนะไอ้ไม่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เมุสลิมพูดไม่ได้นะมุสลิมต้องเชื่อโดยเฉพาะถ้า สิ่งที่เราชื่อเนี่ยมันมีมันมีตัวบทที่ชี้นาที่ชี้นะอยู่อูเลนบูรมาดาฟีมเลกูดิสต์สาต์แลอัลวอัน خلق الله من شيء อูเลนบูรูจงมองฟีมเลกูดในมหาอานาจของพระเจ้า และสิ่งที่ Allah ได้สร้าง Allah สั่งให้เราได้มองนะสั่งให้เราได้พนะินิพิจารณาและไม่ได้ไม่ไม่ได้ไ ม, ไดไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปลงทุนอะไรมากมายเครียดอะไรไหมดูหนังสืออ่านหนังสือไม่รู้เรื่องจะสอบก็ไม่นะมองอย่างฝากฟ้ า, าแล้วกรซิกรุ่ลอบไปลองดูกำลัง กรธใครอยู่ไหมกำลังงอนกับใครอยู่ปะกําลังมีปัญหากับกับเพื่อนกับพ่อแม่กับลูกๆอะไรมามองไปยังฝ่าก็ฝาจะลงอกลงใจครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอัสลลัมบิฮัมถามไหมมีท่านั่งที่ท่านบีห้ามไหมก็มีถ้ามีท่านั่งที่เอามือ มาพิงด้านซ้ายอย่างนี้แต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีใครนั่งกันจะได้เป็นตัวอย่างใช่ไหมเออเนี่ยเหมือนที่บางหมัดเขนั่งอย่างนี้แต่ท่าเนี้ยท่าเนี้ยท่าที่นะ่าเอาเอา เ, เอามือข้างซ้ายเนีม่มาพิงแต่ต้องฝ่ามือนี่มันต้องพิงด้านหลังด้านหลังหลังก้นเลยนะซึ่งท่านี้เนี่ย มีรายงานหนึ่งว่าที่ท่านนาบีห้ามนี่หมายถึงว่าในละหมาดและมีอีกสำนวนหนึ่งไม่ได้พูดถึงว่าในละหมาดฉะนั้นมันก็ไม่มีความชัดเจนว่าตกลงข้อห้ามนี้ในละหมาดหรือนอกละหมาดซึ่งถ้าในละหมาดนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนั่งท่านี้ในละหมาดมันเป็นท่านั่งที่มันขัดกับโครงสร้างของการละหมาดอยู่แล้วแต่ถ้านอกละหมาดเนี่ย เหตุผลเนี่ยที่จะนั่งเนี่ยบางรายงานบอกว่าเป็นท่านั่งของผู้ที่ถูกกริ้วเตาะดตุลมักดูบีอาไลม์ที่ถูกกริ้วซึ่งอุลามาก็มีความขัดแย้งกันว่าท่านั่งนี่ก็คือหมายถึงว่าไม่ให้เรียนแบบผู้ที่ถูกกริ้วก็คือเยโฮนั่นนะยโฮนแต่มันไม่พบหลักฐานตอนเนี้คือตอนนั้นอาจจะใช่ สมัยท่านนาบีจะใช่แล้วเรายังไม่แน่ชัดด้วยนะว่าตอนนั้ น, นท่านนาบีหมายถึงว่าในละหมาดหรือนอกละหมาดแต่ถ้าในเวลาอื่นเนี่ยการกระทําของของเยฮูด ห, หรือนาซรอหรือคนไม่ดีเนี่ยและศาสนาห้ามไม่เราเรียนแบบเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ทําแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความเพราะการเรียนแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ ว่ามันเป็นการกระทำของเขาถ้ามันไม่ได้เป็นการกระทำของเขาก็ไม่ก็จะไม่มีข้อห้ามซึ่งทศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าไอ้ท่านี้มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มันไม่มีเหตุผลที่จะเป็นข้อห้ามนอกจากว่าจะเป็นเหตุผลที่อุลมาเขาบางท่านนะบ า, บางทศนะที่บอกว่ามันมันเป็นเหตุผลให้เชื่อฟังอย่างเดียวหมายถึงเราไม่ต้องรู้ คลดลับของของข้อห้ามก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ก็จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เพราะมันจะไม่เป็นเรื่องที่กําชับถึงขนาดที่ถ้าไม่ทําแล้วจะเป็นบาปเหมือนอันเนี้ยท่าท่านนาบีบอกว่าไม่ไ ม, ไม่นั่งท่านี้ใช่ไหมอ้าวมีฮะดีสอีกบทหนึง่งท่านนาบีห้ามไม่ให้สวมรองเท้าท่ายืนถ้าจะสวมรองเท้าเนี้ยต้องนั่ง อุลมามได้บอกศาสนาอุลามะส่วนมากนะเขาบอกว่าข้อห้ามนี้เนี่ยเขาบอกว่าลิลอิรแชดมันไม่ได้เป็นเหตุผลด้านศาสนามันเหตุผลด้านโลกทําไมอ่ะเพราะตะก่อนนุนะ่นอะรองเท้าที่เขารองเท้าที่เขาใส่เนี่ยก็คือคุ้ฟเนี่ยก็คือเหมือนรองเท้าบูธอะนะรองเท้าบูธรองเท้าทั่ไปรองเท้าที่มันหุ้มส้นเนี่ย <c oughs> ถ้ายืนสวมยืนเนี่ยนะมันมันอาจจะลม้ม นา บ, บีก็บอกว่าไ้นั่งนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็สวมรองเท้าจะได้เรียบร้อยมันก็เป็นอิรชาติเนี่ยมันเ่องด้านโลกด้านโลกมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวัศา ส, สนาถึงจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกข้อห้ามในอิสลามเนี่ยหมายถึงว่าบาปเสมอไปก็ต้องดูด้วยเหตุผลของข้อห้ามมันเป็นอะไรซึ่งมีอุลลามะท่านหนึ่งได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย เหตุผลของข้อห้ามต่างๆในอิสลามเนี่ยมีเหตุผลเขาบอกว่าเกือบสิบเหตุผลสืบเหตสิบเหตุผลนหนึ่งในนั้นก็คือบาปเป็นสิ่งที่ห้ารอมเพราะมันเป็นข้อห้ามด้านศาสนาอย่าเช่นห้ามกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นเป่าในอาหารและเครื่องดื่มร้อนมีข้อห้ามไหมเคยได้ยินไหมเลวเคยถูกห้ามใช่ไหมเป่าเนื้อฉาบอย่าบอกนะพีห้ามไม่ห้เป่าอนะืาม แต่สถานที่ถูกต้องนะห้ามเป่านี่เพราะตะก่อนนุ้นน่ะเขาไม่พุ่มเฟือยเหมือนเราในห้องครัวนี่เขาไม่ได้มีจ า, า, านสิบสองใบถ้วยสิบสองใบช้อนยี่สิบตะก่อนนุ้นนะ่ะถ้วยใบเดียวจานก็ใบเดียวถ้วยจะกินน้าเนี่ยสมมุติว่าจะรินน้ำนี่กินกต่ถ้วยเดียวนี่แหละแล้วก็กินกันหลายคนนะสมมุติว่าอรินน้ําร้อน แล้วซุปอย่างเนี้ยเขาก็จะกินกันในถ้วยเดียวกินกันในจานเดียวที่นี่พอ ม, มากินกันในจานเดียวนี่ไอ้คนรอนแล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็ร้อจะกินด้วยพร้อมกับสิ่งที่มันอาจจะปนเปื้อนไปด้วยไงอะไรอะน้ำมูกบางน้ำไายบางอะไรบางแน่นอนมันก็มันมก็รอ้อนมันเย็นเพราะเราจะกินร่วมกันใช่ไหม แต่เดียวนี้แหล ะ, ะตักสุปเนี่ยเป็นชานของตัวเองข้าวก็ของตัวเองแล้วก็ถ้วยของตัวเองร้อนแล้วก็รุดไฟฟ้าจะมาแล้วไม่เป่าร้อยเป่าอีกสิบ้านาทีเข้าไปแล้วไม่ถ้าสู้ต้องจะเป่าเป็นถ้วยของเราเองได้แล้วแล้วจะน้ำลายออกเกินน้ำลายของเรา <c oughs> อันนี้มันเป็นเหตุผลด้านโลกจึงจะเข้าใจได้ว่า แลกลารศาสนาข้ออะไรบางอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลนะในสุนนรภู่ันมีเหตุผลม็กซสิ้นมากเลยอ่ะแต่เราต้องเราต้องเข้าใจแต่ก่อนนู้นนะทำไมนบีโอดไม่ให้ดื่มจากแต่ก่อนนู้นนะเขาก็ไม่มีพวกถ้วยพวกอะไรที่จะบรรจุเครื่องดื่มนะส่วนมากก็จะเป็นพวกหนังใช่ไหมหนังวัวหนังแพะหนังอูดอะไรพวกเนี้ยที่เขาจะใส่น้ำนะแล้วก็หนังนี่มันก็จะมีปาก เระไรปากถุงอะถุงน้ํำ嘛นะนบีห้ามดื่มน้ําจากปากถุงน้ําทําไมอะเพราะทุกคนนู้นอะไม่ไม่ไม่ยังมีทุกคนในมีถุงน้ําของตัวเองมันจะเป็นถุงน้ําเดียวใหญ่ก็กินกันในบ้านทั้งหมดกินหมดเลยทั้งทุกคนในก็มาอมปากนั้นแล้วก็นบีก็เลยห้ามบอกว่าอย่ากินจากปากถุงน้ําเขากินในกระดูงหรือเจรินใส่ถ้วยอจะได้ แล้วเวลากินถ้วยกันน บ, บีก็บอกว่าไอ้ดูมารยาทด้วยนะพวกินก็อย่า ก, กินในจุดเดียวอ่ามีคนดื่มเนี่ยก็พยายามดื่มจากจุดอื่นก็ได้ยกเว้นแต่สามีภรรย า, ยานี่น บ, บีน บ, บีดื่มจากจุดที่ท่านหญิงไอชาในเด็ดื่มเรื่องเรื่องเขารียกอะไอ่าเออนั่นแหลาลังหาครับเนี่ยวิธ ก, การประคองตนอยู่ในเจิตนา น, นี้ยกตัวอย่างเช่น การที่เราเริ่มทําสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งด้วยกับเจตนาที่ดีเมื่อเราทําไปเป็นประจําประจําแล้วเจตนาของเราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนไปเล็กและน้อยรู้ตัวไหมรู้ตัวปะจนรู้ตัวอีกครั้งแตมันมันนอกรูนอกทางคือถ้ารู้ตัวนี่ก็แสดงว่ายัง <c oughs> ยังมีความสํานึกที่ดีแล้วก็ยังยังประคองตัวเองได้แต่ไอีที่แบบว่าทำ <c oughs> ทำจนเสียเจตนา <c oughs> เสียเนียมแล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่อันนี้อันนี้ hopeless c a s <oughs> เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างแรงก็ต้องมาฟื้นฟูสภาพจิตใจอีกทีนึ่งก็หมายถึงว่าคนที่แบบว่าทําโอ้อวดตนเป็นนิติสินแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังโอ้อวดอันนั้นต้องอ ง, องมาฟื้นฟูหนักแต่ถ้ารู้ตัวให้ยฉันกําลังเรียะอยู่กําลังโอ้อวดอยู่ปรับซึ่งการปรับเจตนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องมาตั้งมานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงก็่าจะไม่ใช่ การปรับเงียบเนี่ยเอ้ยเราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์นะแค่นี้ก ha, hey, so. ha. hai, hai, man, an ็จบแค่น so ี ern, ้ก so hm ็ง่ายนิดเดียวถ้าเรารู้ตัวก็ปรับเงียบนี่ยให้ให้มีคล้าให้มีความบริสุทธิ์ใจแล้วเหมือนมันก็จบแค่นั้นการที่จะปรับให้คลอสเนี่ยนสุฟยานเอบมโนยัยเนี่ยกำลังเดินกับลูกศิษย์ก็กลังเดินจะไปจะไปมัสยิดเขาก็บอกว่านี่มีคนหนึ่งที่รู้จักเนี่ยเขาไม่สบายไปเยี่ยมเขาหน่อย วงกบอกว่าแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงลูกศิยก็ถามวาอะไรบว่าปรับเนียเพราะนียเขานี่จะจะเดินไปมัสยิดจะได้เดินไปเยี่ยมคนป่วยหนึ่งก็ปรับจะได้ลิลลหน่อยก็ปรับนิดนึงทำสมาธินิดหนึงนาทีหนึ่งอ่ะก็ได้แล้วไม่มีปัญหาใหญ่ในละหมาดอาจจะเกิดขึ้นเรื่องโอ้อวดในละหมาดการทาอิบาดะการ แเนี่ยตบหนึ่งให้เป็นของอัลลอ์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแปบเีก็ทาได้ถ้ารู้ตัวนี่จึงบ่งว่าทำเรื่องสาคัญเนี่ยถ้ารู้ตัวแต่ถ้าไม่รู้ตัวจะปรับ่ไงนีนะครับอซลบนะมุฮัมมัดีวาลซบิลลมอะลัยุมรราะห์มตุ